ตั้งใจภาวนาตั้งใจเต็มร้อยตั้งใจจริงจงตั้ ง, ง, งใจตั้งสติกำกับจดจอ่อให้ผู้รู้ของเราอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจากกุทธไปหาโธจากโทไปหาพุทธ อย่าให้มันเคลื่อนอย่ามันเคลื่อนคลาดจากความรู้สึกของเราพยายามตั้งสติมันขาดตั้งขึ้นใหม่มันขาดตั้งขึ้นใหม่มันขาดตั้งขึ้นใหม่รู้ว่ามันขาดตั้งขึ้นใหม่ตั้งจนมันอยู่ทำเลื่อๆไม่ได้ต้องทำเต็มร้อยทำจริงๆทำเต็มร้อยทำเกินร้อย ให้มีอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธโดยเะกํากับด้วยลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพึงระวังระหว่างพุทธไปหาโท ร, ระหว่างโทไปหาพุทธเนี่ยระวังแทๆ้ๆเจ่ะอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้มันดึงไประวังตรงนี้ได้มันอยู่มันไม่ไปมันไปไม่ได้เจาะอยู่แค่นี้แหละจากพุทธ ไปหาโทจากโทรไปหาพุทไม่ปล่อยอีกพุทธไปหาโทจากโทรไปหาพุทธไม่ปล่อยอเอาจัญจูคิงนิ่งวะจับปลาในหม้อนะพากันจับปลาในหม้อง่ายเวะลาจับปลาในหม้อ ฮะไม่จับคลองกันยันตดจับปลาในหม้อจับปลาในสุ่มเตหะปากคลองกันยันต์ติจับปลาในสุมนนส่มมีใครไปท่องติดปากบ้างเนี่ยฮะ นี่เราดูกลนอุบายมายากับวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราดูทละเอียดละออมากขนาดนั้นเราไม่ทันมันเห็นไมไม่ทันมันทุกอุบายทุกวิถีวิถีทางมีหลายอย่างหลายวิธีที่เราดูเนี่ยระลึกที่ปัญหามันคอยแทรกมาโดยปกติ กิริยาของมันที่เป็นพื้นพื้นก็คือนิวร์เราดูที่นิวรนิวร์แปลว่าเครื่องกั้นเครื่องขีดกั้นสมมติเราอยากไปนูน้นถ้าเราจะเทียบก็มีสิ่งกั้นไปไม่ได้เราจะทําสิ่งนี้มีสิ่งกั้นทําไม่ได้เราต้องการรั ก, รกษาศินเนี่ยแค่นี้นิวรก็ครอบงำกั้นจ้ะ ต้องการเภาวนาใจได้รับความสงบนิวรณ์นก็กั้นซะต้องการเจริญปัญญาพิจารณาเห็นหน้าหเห็นตาของเจ้าตันหานิวรณ์มันก็กั้นซะนิวรณ์มันก็เป็นลูกสมุนของตันหานั่นแหละนิวรณ์กามาฉันทะนี่มันให้พอใจเรื่องการ ม, มันให้พอใจเรื่องพยาบาทเมื่อมีคนมาขัดคอปองร้าย จากนั้นแล้ก็ที น, มทม น, น้มิถะง่งเหงาเผลนอนจิตมืดมิดถูกอำนาจความมืดมันปกคลุมหัวใจนี่นิวรณ์ทีน้มิถะอุทจจัถ้ามันไม่ถูกอุทจจักรอบงาก็เทํามันไม่ถูกที น, นกักรอบงามันก็ถูกความฟุ้งครอบงานึกเลื่อยเปื่อยนึกวิตกนึกกังวล น, นึกนู่นนึก น, กนี่นึกอะไรอะไรสารพัด จะเป็นเหตุพุ่นวายเอาไม่อยู่มีวอนจากนั้นแล้วลังเลสงสัยจิตหาความสงบไม่ได้เราต้องการรักษาศีลลังเลสงสัยอยู่นั้นเอ๊ะได้ผลจริงหรือเปล่าได้บุญจริงหรือเปล่าแนะ่สงสัยจากนั้นแล้วก็ไม่อยากทําอีกมตัติ ปฏิบัติกามเนี่ยเฮ้ยทํนานไม่ให้ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสมัมผัสแต่ทําไมมันแสบระเกินมันน่ารอยระเกินกามฉันทะกรรมฉันทนะคาว่ากามฉันทะก็คือหมายถึงวัตถุที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสมัมผัสรวมมาถึงกามราคะด้วยซึ่งเป็นยอดของกรรม เราดูเถอะมันพาเราติดมันติดอย่างเหนียวแน่นมั่นคนมันคงมองไม่ออกต้องการจะรักษาสินมันก็ไม่อยากให้เรารักษาต้องการเพลานะ ใ, ใจสงบมันก็สงบไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันโผล่มา ก, กั้นก็โผล่มาที่ใจของเราเนโผล่มาที่ใจของเราเราสังเกตดูได้ง่ายใจมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะลูกหลานของเจ้าตันหานี่แหละ มากั้นมาดังควานมารบกวนความสงบของเราสงบไม่ได้ยิ่งเอาไปเอาไพิจารณาพิจารณาไปพิจราจรณาไปพิจารณามาก็ไปเข้าไปเข้าหนทางมันแล้วมันต้อนเข้าโกมัอนมดให้เราพอใจเกี่ยวกับเรื่องเกา่ามันต้อนเข้าเรื่องเข้าราวของมันหมดมไปคิดเรื่องบางเรื่องคนนั้นมาขัดคนนี้มาคล่องเรื่องนั้น ไม่สะดวกเรื่องนี้ไม่สบายแน่พยาบาทมากั้นอีกแล้วสมบไม่ได้พยาบาทมากันกกาาากน้นคิดนู้นคิดนี้คิดนั่นคิดจะตะัดคิดจะทอนอคิดจะป้องกันคิดจะตะัดคิดจะทอนอคิดจะตัดตอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องของพยาบาททั้งนั้นนะ ต้องการให้สงบมก็สงบไม่ได้มันมาสวมรอยนี่คือเรื่องของนิวรณ์อยู่ในใจเราเราดูมันดูพุทธิจาคำสอนละเอียดนี่วิธีของนิวรณมันครอบนาจิตของเรามันครอบนอาที้นี้รณ์นิวรณ์นี่มันเป็นอารมณ์ในใจนะมันเป็นอารมณ์ในใจมันชื่อเป็นบทธรรมบทธรรมที่เราเรียกว่าธำมารมณ์ทำมารมณ์ อารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดในใจถ้าเรียกว่าธร ร, รมา ร, รมณ์นี่บทนมันเป็นธรรมอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านจงจักรเข้าในส่วนของของของธรรมเราสวดบทธรรมเราพิจารณาเรื่องธรรมมันก็กระเทือนเรื่องกายเรื่องเวทนามันแทรกไปหมดแหลวมันก็กระเทือนเรื่องจิต เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมพิจารณาเรื่องธรรมมันก็เทือนถึงถึงจิตกรเทือนถึงเวทนากรเทือนถึงกายมันก็เทือนถึงกันหมดเพราะมันเป็นเส้นสายของมันเส้นสายของตันหามันสวมรอยมันยื่นมือมาอ่มันวางเส้นวางสายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลียญของมันมาคอยทักหน้าดากหลังเรามาเป็น ยักมาเป็นมานคอยขีดคอยขวางเราอย่างนี้แหละสงบไม่ได้ดูที่สงบง่ายหรือสงบยากในใจของเราแค่เรานั่งภาวนาเมื่อกี้นี่สองชั่วโมงสงบง่ายหรือสงบยากมันสงบง่ายหรือสงบยากมันดึงกันไ ป, ด, นไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาต้องตะลอมกันอยู่นั้นอะ่ะความจะลงร่องลงรอยกว่ามันจะหาร่อนหาทางลงเจอได้ ตอสู้ต้องขยเยอ่อกันถึงกระนั้นก็ตามบางคนยังลงไม่ได้สับสนวุ่นวายโอลมานอยู่นั่นงดง ด, ดงดงี้งี้ตรงนั้นตรงนี้เก่าตรงนั้นแย่แยขยับตรงนั้นยุกยุกอยู่นั่นแหละมันสงบไม่ได้ใจมันไม่สงบมันถูกนิวร์ครอบงำนิวร์ขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมขันห้า ก็คือรูปกำนามขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารอินญาเป็นนามรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารอินญาเนี่เป็นนามคนเราทั้งทั้งดุนทั้งก้อนธรรมะเรียกกับเป็นขันธ์ทั้งห้าขันธ์แปลว่ากองกองแตล่ละอย่างแตล่ละอย่างพุทธเจ้าธรรมแยกแยะเพราะพรุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนจำแนกทมแยกแยะทำไม่อย่งั้นพวกเราไม่เข้าใจพวกเราก็ไปตีคลุมไปหมด ก็มือนอย่างท่านมาแยกเป็นพรมเป็นค้นเป็นเล็บเป็นเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเนี่ยมาแยกมาจำจำแหละมาแยกมาแยกอันนั้นชื่อนั้นอันนั้นชื่อนั้นอันนั้นชื่อนั้นแม้แต่ทั้งกายทั้งทั้งรูประทังทั้งนามธรรมของเราท่านมาแยกเป็นขันห้าเป็นโรูประขันเป็นเวทนาขันเวทนามีทั้งทั้งส่วนเวทนาของโรคมีทั้งส่วนเวทนาของนา สัญญาขันสัญญาขันตัวนี้ก็เป็นกิริยาอาการของใจสังขารวิญญาณสามสี่อย่างนี้เป็นกิริย า, าการของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นกิริยาที่จิตออกมาทํางานประสานประสานกับรูปธรรมของเราเพื่ออะไรเพื่อเอาผลรายได้เข้าไปสู่ใจหนุ่นเจ้าตัวเจ้าตัวจอมันอยู่ในใจ ตัวเจ้าตัวจองของมันแท้ๆอันนี้เป็นเส้นสายที่มันออกมาหาอยู่หากินแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่อำนาจของมันนะมันอยู่ข้างในในใจตันหามันอยู่ในใจตัวหน้าหน้าตามเป็นยังไงตันหาหน้าตามเป็นยังไงมีหัวมีเขามีอะไรเหมือนควายหรือเปล่ามีหางเหมือนสุนัขหรือเปล่า ตัณหาในใจของเราเนี่ยโว้มันหวานเยอะมจริงก่อนนางสาวจักกวานเพราะฉะนั้นเราจึงหลงมันง่ายๆคือความอยากใจของเราเวลามันอยากเราก็รีบสนองเวลามันอยากขึ้นมาเราก็รีบสนองอยากขึ้นมาเราก็รีบสนองตัณหาแปลว่าความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจ เราอย่าลืมคําแปลตัวนี้ถ้าเราลืมคำคำแปลตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจยากตัญหาคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานดูมาถึงความอยากที่ใจของเราแล้ดูอยากรักรักอยากชังอยากโกรธอยากเปลียดอยากหิวนู่นหิวนี่หิวอะไรต่ออะไรดูกิริยาของความอยากเพื่อให้รู้จักเอาไว้ต่อไปเราค่อยมาแยกแยะว่าโอ้อันนี้อยาก ตามอำนาจของธรรมโออนิยามตามอำนาจของกิเลสเราจะได้รู้จักกิริยาการของความอยากความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความอยากเป็นเรื่องของธรรมรู้สิมันละเอียดขนาดไหนทําไมเราจะรู้เงินรู้เงมมินมันง่ายง่ายทําไมเราจะรู้เงิน ร, รู้งิน ม, มันง่ายๆความอยาก ก็สำคัญว่าเราดูให้รู้จักความอยากเวลามันเกิดในใจของเราพยายามไปจับดูไปนั่งจับดูความอยากในใจของเรานั่นคือตัวเจ้าที่จอบเข้ามาแล้วมันออกมาแล้วความอยากของตัณหาความอยากของกิเลสกิเลสกับตัณหามันอันเดียวกันอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเดียวกัน ความยาคือเจ้าจอของตัณหาทันเดียวกันเป็นสมุนฝ่ายฝ่ายต่ําที่มันเคลือบแฝงมากระพูรู้ของเราเราอย่าไปติดสับโอ้อันนขัดกันนี่อันนี้ขัดกับมั น, น, นท่านเรียกตามกิริยาอาการของมันตัวเดียวกันมันทําให้ใจเศร้าหมองท่าเรียกวกิเลสมันทําให้เรางโง่ท่าเรียกว่าวิชาโมหะ มันทำให้ให้เรายึดให้เราเกาะมันก็เป็นอุปาทานมันก็เป็นสัญญอดูไปที่กิริยาของความอยากที่มีอยู่ในหัวใจของเรามันเป็นยังไงมันอยากมันเป็นยังไงมันติดใจมันชอบใจมันพันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเยื่อใยในใจของเราเราดูมันอ้อยมันอิงมันอะไรละเอียดละออยอยู่ในนั้น ก็ไม่ทันมันอ่ะเราพยายามจับหัดจับความอยากในหัวใจของเราใะ่แล้วเราค่อยมาแยกอ๋ออันนี้อยากอยากรักษาศีลโอ้อยากให้ทานนี่เป็นเรื่องธรรมอยากรักษาศีลอยากนั่งภาวนาจิตสงบอยากพิจารณาเกิดปัญญาอยากได้มรรคได้ผลอยากได้นิพพานความอยากเหล่านี้เป็นความอยากของธรรมะ เป็นมรดกให้เราส่งเสริมเอาไว้ให้เรารักษาเอาไว้เพราะมันเป็นมรดกไม่ใช่ว่าความอยากแล้วเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เราเอาความอยากเป็นเรื่องของกิเลสกับกิเลสแหละมาบวกกันมาทับถมกันอยากโดยทำ ม, มีพลังมากกว่ามันก็อยากมันก็ชนะความอยากโดยอำนาจของกิเลสคือชื่อบ่กกิเลสแล้วมันปีนเกลียวปีนเกลียวกับศีลปีนเกลียวกับธรรม เช่นอย่างท่านห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่ า, าห้ามลักทัพยอยากลักห้ามผิดลูกผิดเมียเขาอยากผิดอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องไปฆ่าต้องไปลักต้องไปผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาห้ามพูดเท็จพูดอยากอยากพูดถ้าความอยากที่ปีนเกลียวแบบนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสให้เราจำเอาไว้ รีบระงับมันทันทีทำสติทำสัมปชัญญะทำปัญญารู้เท่าทันแล้วมันจะหยุดมันจะชะลอมันจะระงับทันทีนี่คือความอยากความอยากของตัณหาปีนเกลียวกับศีลปีนเกลียวกับธรรมปีนเกลียวกับระบบระเบียบที่ชอบด้วยธรรมกับกฎหมายกับบ้านกับกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยระเบียบระบบระเบียบที่มันปีนเกลียวกับศีลกับธรรม ถือว่าเป็นเรื่องของต่างหาข้อสําคัญว่าเราพยายามจับเจ้าตัวความอยากในหัวใจของเราเราจะได้รู้เอ๊ะความอยากมันทั้งนี้ตั้งงี้ก็มายัางนี้มันอยากอะไรวะอยากเกี่ยวกับเรื่องอะไรปีนเกี่ยวกับสินกับธรรมหรือเปล่าขัดกับเรื่องสินเรื่องธรรมหรือเปล่า ไม่ใช่อะไรอะไรอยากมาสนองหมดอะไรอยากมาสนองหมดกิเลสไม่รู้ทําไม่รู้โดยนิสัยของใจของเรามันมีแเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนอกจากเราหาเวลามาเจริญธรรมอยู่บ้างมันจะมันจะรู้จากรสชาติของอัดของธรรมอยู่บ้างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราเรื่องธรรม อ, อยู่บ้างแต่ถ้าเราไม่สนใจมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเป็นเรื่องของมันทั้งหมด ลุงต า, ท, าท่านท่านถึงว่าตั้งแต่ลืมตาหลับตั้งแต่ลืมหลับตื่นลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาจนตลอดวันยั่งค่ําถ้าเราไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรืร่องธรรมเป็นเรื่องของมันทั้งหมดมันผันอยู่ในหัวใจของเรามันหมุนอยู่ในหัวใจของเรามันอยู่ว ย, ยุให้เร า, ช อ, อา ان, ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้กำเริบอย่างนั้นกำเริบอย่างนี้ยุอย่างนั้นอ่ะตามมันไม่รู้จะจบไม่รู้สิ้น ในพระสูตรนี้ทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เป็นพญามารมาคอยขัดขวางธรรมะของเราก็คือตันหาตั้งประเด็นหลักใหญ่คือเจ้าตันหาเป็นตัวพญามารตัวใหญ่ตัวร้ายกาในนี้แท้ที่จริงโรครากของวัฏจักสงสารแท้ก็คือตัวนี้แหละตัวเจ้าตัวจอมของวัฏจักสงสารก็คือตัวนี้แหละตัวพาให้เราอยู่ในวัฏวัน กิเลสก ร, รมไม่บาป ก, กิเลสก ร, รมม่บาป ก, ก็คือเจ้าตัวนี้แหละทําให้พวกชาติเรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบก็คือเจ้าตัวนี้แหละเราต้องภาวนาดูหน้าดูตาของมันจะได้รู้จักบ้างจะได้รู้จักว่าหน้าตาของศัตรูหน้าตาของมิตรหน้าตาของมิตรก็คืออยากให้ทานอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้ อยากภาวนาอยากได้อัดอยากได้ทำนี่เป็นเรื่องของของธรรมเราพยายามทํากับสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องของกิเลสปีนเกลียวกับศีลกับธรรมเราทําตามมันอยู่เรื่อยอ่าเป็นวัตฏบุญเป็นวัติบุญเป็นกิเลสกิเลสพาธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด วันไหนวันทั้งวันถ้าเราเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากทำตามอำนาจของกิเลสผลรายได้เปเรื่องของกิเลสทั้งวันแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดําริอยู่ในจิตว่าพุโทโธพุธโทโธเอาทั้งวันนี่เขาเรียกว่าทำกรรมกิริยาที่เราทํำนั่นแหละมันมันเป็นกรรมกรรมกิริยา กิริยาที่เราทำนั่นแหละเป็นเรื่องของกรรมสิ่งที่ตามมาคือผลวิบากในขณะที่กาลังทำมันเป็นกิริยาที่ทำมันเป็นการทำเหตุผลต้องตามมาเป็นวิบาก ค, คือผลของกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทากรรมวิบากทากรรมวิบากหรือเราจะพูดว่าภาวนา กรรมวิบากภาวนากรรมวิบากในขณะที่เราภาวนานั่นแหละคือเราทํากรรมในขณะที่เราภาวนาใ้ใจสงบนั่นแหละคือเราทํากําลังทํากรรมทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของภาวนาหรือเราจะว่าทำกิริยาเหล่านั้นนเป็นกิริยาที่เป็นธรรมเป็นธรรมพอเราทําลงไปแล้วเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรม ถ้าทำไม่มากกําลังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสลาบไปทําจนหนักหนาสาหัสกลายเป็นจริตเป็นนิสัยของเรากลายเป็นผู้หนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องธรรมกิเลสก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงมันทันมันมีกําลังมากกว่าเวลาเราให้มันต่อบกอนกันกับกิเลสกิเลสก็ราบกิเลสก็ราบอะไรที่มันกําลังมากกว่ามันจะชนะผู้ไอสิ่งที่มีกําลังน้อย เมื่อยังทำเรามีกําลังมากกว่าเมื่อเรามีน้อมมากๆเนี่ยเราไป็นรถไฟไฟมันก็ดับได้แต่ถ้าเราเจริญตะกิเลตมีตะกิเลตทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยกิเลส ม, มันมีอํานาจมากกว่าอเวลาเราเจริญทำขึ้นมานิดๆหน่อยๆกิเลสมันก็ไล่งับหมดไ <laughs> ล่งับทำทำหายหน้าหายทาไปหมดอเหมือนกับไฟ มันมีแรงมากนะน้ำมีนิดๆ ห, หน่อยๆยไปรถยังไงมันจะดับมันดับไม่ลงน้ำหนีทะเลเดเปิดเปิงเหือดแห้งหายไปหมดนี่กิจยาที่ต่อสู้ภาในใจของเราก็มีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องบทเหล่านี้มันเป็นการอยู่ท่ามกลางหนทางปฏิบัตินี่แหละคือวิธีเพื่อความดับทุกข์โดยตรงวิธีตรงนี้แหละ เราศึกษาเรื่องเหล่านี้มันก็คลุมอยู่เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาทั้งหมดแล้วคลุมอยู่ตรงนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านยาวส่วนไหนมามาพูดเราฟังอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยพระสูตรพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นเราจรึงปาสวดใครอยากได้เป็นสมบัติติดตัวดูท่องให้จําติดเนื้อติดตัวไปเลยตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดอยู่คนเดียวในปา่าในดง ตั้งใจปฏิบัติเอาอยู่นั่นแหละเพราะเพราะเราเราสะสมไปแล้วสังสมไปแล้วไม่ต้องกลัวเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมีเพียบพร้อมอยู่ในนี้แหละขอสำคัญให้รู้จักหน้าตาของศัตรูมันสำคัญเราไม่รู้จักหน้าจากตามันตัวศัตรูเต็มร้อยเปอร์เซ็นเรามองเห็นเป็นมหามิตรกอดคอตาอยู่กับมหามิตร น, น, นะเห็นไหมเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นมิมา มันยิ่งทํางานไปเท่าไร่วัฏสงสารของเราก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มิไม่มีจุดจุดจบดอกไม่มีที่จบไม่มีจุดจบถ้าเราไม่ยอมลดละสิ่งเหล่านี้วัฏสงสารเราไม่มีไม่มีจุดจบตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปสามารถย่นย่อพบชาติของเราได้ดูแต่พระโสดาบันท่านไปเกิดดี หชาติบ้างสองสามชาติบ้างเจชาตาิเป็นอย่างช้าโสดาบันโซดาบันก็คือผู้มีปัญญามองเห็นความอยากเกิดขึ้นตามกระแสของอํานาจของความอยากเกิดขึ้นตามกระแสของอํานาจของมันอนํานาจของความอยากอํานาจของกิเลสกิเลสมนอาศัยตาเกิดความอยากอาศัยรูปเกิดความอยาก แต่ตัวงานที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่มันติดมาพร้อมกับจิตผู้รู้ของเราก็คือสติธรรมปัญญาธรรมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ติดมากับจิตของเราเราพยายามปลุกให้คุณธรรมเหล่านี้ตื่นรในหัวใจของเรา นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือต่อกอนกับสิ่งเหล่านั้นเรายอดด้อนดูเวลาความทุกข์มันทับถมหัวใจของเรามันน่าเก็ียดน่าหลาบเราเอามันไม่อยู่เอามันไม่อยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวโดยสารไปดีไม่ดีไปพลอยจับด้ามพร้อมกับมันจับหน้ามห้ามด้วยกับมันมันมันฟาดเราเอง ช่วยจับด้ามให้มันแล้วมันให้มันฟาดเราเองเพราะเราไม่รู้นี่อบายวิธีที่เราควรได้ยินได้ฟังได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเราภาวนาสมถะให้ใจได้รับความสงบเพื่อชะลอกำลังของมันอาศัยสติสัมปชัญญะเพียบพร้อมเพียงพอใจสงบได้เพ่งอยู่กับปรมณ์เดียวเป็นสมถะพิจนายักย้าย พันแปรไปตามกิริยาอาการของอารมณ์เป็นวิปปชนนางานที่เราเรียนเพื่อให้รู้จักหน้าตาของสิ่งเหล่านี้มีแค่นี้มีเท่านี้ดูไปแล้วมันจะขยับขยายไปมันจะไล่ขับต้อนไปของของมันเองงานเหล่านี้เป็นงานที่ยิ่งทําไปเท่าไร ย, ยิ่งเพิ่มคุณสมบัติให้กับใจของเราเพิ่มคุณค่าของความเมนุษย์สมบัติ เพิ่มคุณค่าของความเป็นสวรรค์สมบัติของพรมสมบัติให้กับมุ้งไจของเราสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่จะเรียบพร้อมด้วยความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขอยู่ในขั้นโลกียังไม่คนไปจากโลกยังไม่เป็นโล ก, กุตระแต่มันก็เป็นทางผ่านของเราที่เราควรผ่านอย่างน้อยๆก็เราอย่าไปแช่กองอยู่ในกองทุกข์ก็แล้วกันอย่างน้อยให้มันได้มนุษย์สมบัติ มีปัญญามีสติมีปัญญามีความฉลาดปราบเรือรอบรู้ทานสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของเราเป็นสวรรค์สมบัติให้กับเราตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบก็ได้พรหมสมบัติให้กับเราเรายังไม่ได้โลกุตระสมบัติมันยังเป็นโลกยะสมบัติก็จริงอยู่ฟังดูได้ว่าบนสวรรค์เขามีความสุขเป็นทิพย์อ น, นุนกต์ทิพย์อนิกระทิพย์ฟังดูด้บนสวรรค์ชั้นพรหมหนึ่ง มีความสุขสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์นึ่งไม่ว้าวุ่นขุนมัวกับเรื่องเรื่องของกิริยาอาการของของกามวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของสวรรค์เทวโลกหกชั้นเลยพวกนั้นไปพวกพรหมเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เขามีความสุขอยู่กับความสงบมีความสุขละเอียดกว่าบนสวรรค์อีกเรายังไม่ได้โลกุตรธรรมเราได้สิ่งเหล่านี้อา้าวมันก็เป็นเส้นทางที่เราควรผ่าน คุณสมบัติเหล่านี้เราไม่เปล่าเราไม่ขี้เปล่าเรายังไม่ได้นิพพานเราก็เข้าถึงสวรรค์ก็มีความสุขในใจของเร า, เร า, เ, ราเราพยายามจะผ่านพยายามจะพยายามพยายามจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเพราะอันนี้เป็นเส้นทางเราเดินข้อสาคัญให้เราตั้งหกตั้งใจฝึกวนอบรมให้เกิดขึ้นในมีขึ้นในหัวใจของเราใครสํานึกระลึกตัวได้ว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ก็ตั้งใจเอามุมา่งมันนะเอาใครเคยอดนอนผ่อนอาหารใครเคยเนยก็ไปเนยไปเนยตอวันนี้ยังแน่สักตะวันเนยเฉยยังไม่ได้อะไรไเอาเอาให้ให้ใหมันได้กำลังเอาให้มันมีรสอร่อยในเนนั้นให้มันมีรสชาติยสักษตะวันเนผ่านไปเฉยตาแห้งเฉย นะอย่าไปอดทนถึงตอนขั้นเราต้องฝ่าฝืนต้องกดต้องทนคอยผ่านคอยผ่านคอยผ่านคุณสมบัติอะไรยังอื่นยังไม่เกิดอยู่ได้เพราะการอดทนอย่างนั้นก็นเอามันก้าวไปจากตรงนั้นลม้มลุกลุ ก, ล, กลานไปจากตรงนั้นก่อนที่เราจะโร่ตั้งแต่หัวค่าไปยนสว่างเราจะต้องลม้มลุกลุ ก, ล, กลานมาอย่างนั้น มันไม่ใช่เราจับเสือมือเปล่าได้เราต้องต่อสู้กันจนมีมีผลปรากฏในหัวใจของเรามันไม่ใช่ไปผ่านไปได้ง่ายๆคือกล้วยดูแต่เรานั่งปวดหัวเขานิดหน่อยปวดสะโพดนิดหน่อยดูสิมันว้าวุ่นขนาดไหนในหัวใจของเราเราดูสิแค่นั้นเราแก้เลยไหมใน ห, หัวใจของเรา <laughs> เราแก้ไม่ได้มันจะไปได้ยังไงมันผ่านไปได้ยังไง มันง่ายหรือยากก็ของใครของเราก็ตั้งใจทำเอาไปยิ่งเราไม่ต่อสู้เลยเราจะได้อะไรอยู่สบายๆก่อนละหนึ่งกินและนอนมันก็เป็นหมูทั้งแหละะมันจะหลายวันคืนล่งไปมันก็เป็นหมูยิ่งอ้วนพียิ่งอ้วนหมีพีมันเป็นหมูอ่ามันก็เอาำแหลกฟาดคอลวกน้ำร้อน วันละตัววันละตัววันละตัวหมายว่ามันดึงจิตของเราไปถลุงวันละอย่างวันละเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องมีอะไรเป็นของเราเป็นของมันทั้งหมดให้มีกระแสการต่อสู้กับมันบ้างสู้เรื่อยๆสู้บ่อยๆชนะมันบ้างแพ้มันบ้างชนะมันบ้างแพ้มันบ้างสักหน่อยหนึ่งชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ยังแพ้อยู่แต่ชนะมากกว่า ยังแพ้อยู่แต่ชนะมากกว่าแนะ่ยถ้าไม่ได้ ไ, ดไม่ตั้งหกตั้งใหญ่สู้มันไม่ได้ไม่มีใครจับเสื้อมือเปล่าไม่มีใครสามารถธรรมา ก, กินได้บนบนเส้นทางที่ถูกปูลาดเหมือนพรมให้เราเดิน ส, สบายแล้วโอ้ได้มักได้ผลได้นิพานนอนหลับสองสามงีบได้มักได้ผลได้นิพานไม่มีแบบ เพราะสิ่งเหนี้มันทารุนในหัวใจของเร า, ใใเราต้ออดเอาต้องทนเอาอะไรมากระิบกระซาบกวนใจเราที่สุดอดกับมันทนต่อสู้กับมันย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาให้ดูดูหน้าดูตาของมันให้ชัดเจนคืออะไรกันแน่เราดูความหลงในใจของเราเราดูความหลงของมันมันหลงอะไรบ้างเราดูสิ มันพท้อมที่จะชักใหญ่ให้เราหลงหลงหล ง, ลงความหลงเนี่ยมันมืดมันมองไม่เห็นทางออกหลงวนอยู่นั้นแหละทําอยู่แต่ไม่รู้ช่องออกไม่รู้จะออกไปช่องไหนมันหลงนวลมืดขาดปัญญาปัญญาก็จะต้องเริ่มมีแต่เมื่อเราเริ่มสังสมเริ่มสะสมเริ่มสังสมเริ่มสังสมเริ่มอบรม ตัวเหตุตัวปัจจัยที่สร้างให้เกิดปัญญาคือตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมดู ก, กิริยาอาการเข้ามันให้มันรู้จักสติผู้ที่มาพาจิตเราตื่นโร่อยู่ในี่นะตัวสติพยายามปลุกถ้ามันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา้ามันตื่นโร่อยู่ในหัวใจของเราต้องพยายามปลุกนท่านแหละมันเคลื่อนไปกับอานาคตความหลงเราไม่ทันมันพยายามปลุก พยายามลุกพยายามปลุกมันล้มลุกมันล้มลุกมันล้มลุกมันลับลุกพยายามต่อสู้อยู่อย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าเด่นตายเด่นตามันจะไม่เด่นตายได้ไงของมันดูได้ยากทําได้ยากและมันเป็นทางของไข่ใครคล่องก็คือเรื่องของการตั้งใจฝุดฝนอบรมหมาของไขรของเรามันไม่ใช่ที่จะได้มาอย่างกล้วย เอาละพวกเราได้ยินในฝฟังแล้วไปทําต่อใครไปน เ, เปนยก็ไปเนต่อมเนเยาวก็อยาให้มันหลับก็แล้วกันแหละใครไม่อยู่อิตยาบทสามนอนนอนเอาลองเอาวิธีนี้ดูไม่ยอมให้หลับเนี่ยนอนภาวนาพอรู้สึกว่าจะหลับลุกขึ้นยืนเดินนั่งพักผ่อนร่างกายนอนนิดหน่อยนอนภาวนาไม่ปล่อย ในเมื่อมันยังไม่ได้เอาอย่างงี้ไปซะก่อนยังไม่ได้เอาอย่างงี้ไปซะก่อนพวกาแต่เรามีการต่อสู้เท่านั้นแหละมันพอจะได้ได้หน้าได้หลังได้อะไรเกิดขึ้นมันมีรสชาตินะแค่เราต่อสู้กับเวทนาเนี่ยโอโหมันมีรสชาติมันมีโอชารสของมัน